สือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรมกุณาพรปอปรปยุตโตภาคหนึ่งมัเชนธรรมเทศนา หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือธรรมที่เป็นกลางตอนสองชีวิตเป็นอย่างไรบทที่3ไตร ล, ลักษณะโดยธรรมชาติ3มอย่างของสิ่งทั้งปวงตัวกฎหรือตัวสภาวะ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 อาศัยความสัมพันธ์และความเป็นปัจจัยเนื่องอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายเองไม่มีตัวการอย่างอื่นที่นอกเหนือออกไปในฐานะผู้สร้างหรือผู้บันดาลจึงเรียกเพื่อเข้าใจง่ายๆว่าเป็นกฎธรรมชาติมีหลักธรรมใหญ่อยู่สองหมวดที่ถือได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทความจริง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 ก็มุ่งแสดงถึงอาการที่สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อแก่กันเป็นกระแสจนมองเห็นลักษณะได้ว่าเป็นไตรลักษณ์กฎธรรมชาตินี้เป็นธาตุคือภาวะที่ทรงตัวอยู่โดยธรรมดาเป็นธรรมทิติคือภาวะที่ตั้งอยู่หรือยืนตัวเป็นหลักแน่นอนอยู่โดยธรรมดาเป็นธรรมนิยามคือกฎธรรมชาต หรือกำหนดแห่งธรรมดาไม่เกี่ยวกับผู้สร้างผู้บรรดาหรือการเกิดขึ้นของศาสนาหรือศาสดาใดๆกฎธรรมชาตินี้แสดงฐานะของศาสดาในความหมายของพุทธธรรมด้วยว่าเป็นผู้ค้นพบกฎเหล่านี้และนำมาเปิดเผยชี้แจงแก่ชาวโลกสำหรับไต่ลักนั้นมีพุทธพจน์ในอุปปาตสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาศ แสดงหลักไว้ในรูปของกฎธรรมชาติว่าดังนี้ตถากรทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุหรือหลักนั้นก็ดำรงอยู่เป็นธรรมทิติเป็นธรรมนิยามว่าหนึ่งสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสองสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ําธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา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 ต่างกับคำว่าสังขารในขันห้าในขันห้าสังขารเท่ากับความดีความชั่วที่ปรงแต่งจิตใจเป็นนามธรรมอย่างเดียวส่วนในไตรลักษณ์สังขารเท่ากับสิ่งทั้งปวงที่เกิดจากปัจจัยปรงแต่งหรือที่เกิดจากส่วนประกอบต่างๆประชุมกันเข้าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามคือเท่ากับขันห้าทั้งหมดไตรลักษณ์นี้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 ไตรลักษณ์ใช้ภาษาอังกฤษว่า the three characteristics of existence เพื่อความเข้าใจง่ายๆจะแสดงความหมายของไตรลักษณ์โดยย่อดังนี้ 1. อณิจจตาความไม่เที่ยงความไม่คงที่ความไม่ยั่งยืนภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไปใช้ภาษาอังกฤษว่า impermanence 2. ทุกตาความเป็นทุกข์ภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัวภาวะที่กดดันฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัวเพราะปัจจัยที่ปรงแต่งให้มีสมภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ภาวะที่ไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัวไม่ให้ความสมอยากแท้จริง หรือความพึงพอใจเต็มที่แก่ผู้อยากด้วยตัณหาและก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้เข้าไปอยากเข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทานใช้ภาษาอังกฤษว่า stress and conflict 3. าอนัตตาความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนความไม่มีตัวตนจริงแท้ที่จะเป็นเจ้าของครอบครองสั่งบังคับให้เป็นไปอย่างไรอย่างไรได้ใช้ภาษาอังกฤษว่า Soullessness, Rue non-self.